สวัสดีความสับสนและความวุ่นวายความทุกข์ยากและความลําบากความเศร้าโศกและความเสียใจทุกสิ่งเหล่านี้มนุษย์ไม่อยากได้แต่ทําไมมนุษย์จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นเพราะว่าความเศร้าโศกก็ดี ความวุ่นวายก็ดีมันเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสนั้นมีอยู่ในตัวของคนทุกคนเมื่อต่างคนต่างมีกิเลสมันก็เลยช่วยกันก่อความวุ่นวายให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะระงับความวุ่นวายหรือระงับความโศกหรือระงับ แต่สิ่งที่เราไม่พอใจเราจําเป็นที่จะต้องมีสติพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าสติเป็นตัวสําคัญแต่สติเกิดขึ้นได้อย่างไรสมาสติเกิดขึ้นได้จากสมาธิสตินี้จะเกิดขึ้นได้จากพลังจิตพลังจิตจะเกิดขึ้นได้จากสมาธิ เมื่อมีสมาเทก็มีพลังกิตเมื่อมีพลังกิตก็มีสติเมื่อมีสติก็เป็นคนรอบรู้สามารถแก้เหตุการณ์ต่างๆได้ถึงแม้ว่าจะไม่สงบทั้งหมดแต่ก็ลดระดับลงมาเพื่อที่จะให้มีความสบายพอสมควรก็ได้แต่ทำอย่างไรถึงจะ หาผลทางละกิเลสได้กิเลสนั้นมันเป็นตัวสาคัญที่สุดความโลภเป็นตัวสาคัญความโกรธเป็นตัวสาคัญความหลงเป็นตัวสาคัญบุคคลนั้นก็พากันยินดีในกิเลส <c oughs> บางคนก็กลัวว่ากิเลสมันจะหมดไปซะก่อน พยายามหาทางที่จะก่อกิเลสให้เกิดขึ้นก่อความโลภให้เกิดขึ้นก่อความโกรธให้เกิดขึ้ น, ก, ก, น, ก, ก, ก, นก่อความหลงให้เกิดขึ้นแทนที่จะมาทําสมาธิหาพลังจิต <c oughs> เพื่อที่จะได้มีวิสติให้มากขึ้นก็ไม่หาพยายามที่จะ สร้างความโลภนี่ให้มันมากขึ้นมันเท่านี้ไม่พอแต่ก็จะสร้างขึ้นมาต่ออีกความโกรธมีเท่านี้ไม่พอก็จะสร้างกันต่ออีกความหลงมีเท่านี้ไม่พอก็จะพากันสร้างต่ออีกนี่นี่คื อ, อวิถีของกิเลสเพราะฉะนั้น คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการให้ทานไม่ว่าจะเป็นการรักษาเสนไม่ว่าจะเป็นการภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการละอย่างการให้ทานก็เพื่อความละความประเหนอคือละความโลภ ก, การรักษาเสนก็เพื่อที่จะบรรเทาความโกรธการทำสมาทิก็เพื่อที่จะ แก้ไขความหลงอย่างนี้กิเลสมีสามกองพระพุทธเจ้าก็มีสามอย่างที่จะแก้กิเลสได้ัวแต่ว่าเราจะทำหรือไม่อยู่ที่ตัวของเราแต่เมื่อพอเวลาเจ้มันเกิดความสับสนรุ่นวัยแล้วมันรุ่นวายกันใหญ่ไม่มีใครต้องการแล้วก็แก้ไม่ไหวเพราะว่า ความวุ่นวายเหล่านั้นมันได้กวาตัวมากมายเกินไปอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามนุษย์เราส่วนมากพากั น, ำนํำนึงถึงข้อนี้แล้วมาช่วยกันพยายามหาวิธีการที่จะทำสมาธิให้มากขึ้นก็าสามารถจะลดสิ่งต่างๆได้เมื่อลดสิ่งต่างๆได้มนุษย์ก็จะได้รับความสุขขึ้นทีละน้อย คนกรทั่มีความสุขมากอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีส